สิกขาบทวิพังสามสที่ชื่อว่าส่อเสียดได้แก่คำสอเสียดด้วยอาการสองอย่างคือวงเล็บหนึ่งต้องการให้ผู้อื่นชอบตนวงเล็บสองต้องการให้ผู้อื่นแตกกันภิกษุกล่าวส่อเสียดด้วยอาการสิบอย่างคือวงเล็บหนึ่งชาติกําเนิดบ้างวงเล็บสองชื่อบ้างวงเล็บสามตระกูลบ้างวงเล็บสี่หน้าที่การงานบ้างวงเล็บห้าศิลปะวิทยาบ้าง วงเล็บ6ความเจ็บไข้บ้างวงเล็บ7รูปลักบ้างวงเล็บ8กิเลสบ้างวงเล็บ9อาบัตบ้างวงเล็บ10คำด่าบ้าง